พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อสัตว์โลกได้ทรงกำหนดให้สาธุชนพุทธบริษัตทผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนาวิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ให้ปล่อยภาระกิจทางโลก อ่อยภารกิจการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลร่างกายเพื่อเอาเวลามาให้กับการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจนําความสุขมาให้แก่จิตใจนั่นเอง จิตใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์<ม>แต่จิตใจที่ได้รับการซักพอกให้สะอาดบริสุทธิ<ม>์จะเป็นจิตใจที่มีความสุขดั<ม>งนั้นถ้าปรารถนาความสุขของจิตใจนะ การดับของความทุกข์ของจิตใจก็จำเป็นที่จะต้องมันซักพอกจิตใจอยู่เรื่อยๆให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วความสุขของจิตใจนี้จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของทางร่างกาย <c oughs> ความสุขของทางร่างกายนี้ ไม่สามารถมากำจัดความทุกข์ของใจได้ไม่สามารถกลบความทุกข์ของใจได้แต่ความสุขของใจนี้สามารถกลบความทุกข์ของร่างกายได้ถึงแม่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม่ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนลำบากลำบุญ แต่ถ้ามีจิตใจที่มีความสุขความสุขของจิตใจนี้จะสามารถกลบความทุกข์ยากลำบากของร่างกายได้ไม่ให้ความทุกข์ยากของลำาบากของร่างกายมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจได้เลยนี่แหละคือวันพระเรียกว่าเป็นวันซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อให้จิตใจมีความสุขการซักผอาจิตใจนี้ก็เปรียบเหมือนกับการซักเสื้อผ้าการซักเสื้อผ้าก็ต้องมีภามีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการซักเสื้อผ้าให้สะอาดอุปกรณ์ที่ชิ้นแรกที่ต้องมีก็คือภาชนะเช่นกาละมัง แล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่สองก็คือน้ำต้องมีน้ำที่จะคอยซักเสื้อผ้าให้สะอาดแล้วก็ต้องมีผงซักฟอกอผงซักฟอกก็มีอยู่สองแบบแบบธรรมดาซักฟอกได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถซักฟอกสิ่งที่เป็นครา สกปกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าได้ให้หมดให้หมดสิ้นไปได้ก็<ม>ต้องมีผงซักฟอกแบบเข้มข้นแบบที่สามารถที่จะกำจัดคราบสกรปรกที่ติดแน่นอยู่ในเสื้อผ้าให้หลุดออกไปได้หมดมนี่คืออุปกรณ์สี่อย่างด้วยกัน คือพาชนะไว้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็น้าไว้สำหรับซักเสื้อผ้าแล้วก็มีผงซักฟอกแบบธรรมดาไว้สำหรับกำจัดคราบ ส, สกปรกที่หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายแล้วก็ต้องใช้ผงซักฟอกแบบเข้มข้นที่จะเอาคราบสกปรกที่ติดแน่นอยู่กับเสื้อผ้าให้หลุดออกมาได้ให้หมดเสื้อผ้าถึงจะได้สะอาดบริสุทธิ์ อย่างเต็มที่การซักพอกจิตใจก็ต้องมีภาชนะเหล่านี้เหมือนกันต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เป็นเหมือนกับภาชนะคือการลมังก็คือการทำบุญทำทานนี่เองก่อนที่เราจะมาซักพอกเสื้อผ้าได้ซักพอกจิตใจได้เราต้องมีภาชนะไว้สาหรับเอามารองรับจิตใจ ลองรับน้ำและของสักพ้อของจิตใจจึงจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบุญทาทานการทำบุญทาทานนี้เป็นการซักพ่อความตห์ีความโลภในทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองเพราะทรัพย์สินสมบัติเงินทองมีมากเกินไปก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจ มีความสุขเรื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองนี้มีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถมาทำให้จิตใจสะอาดขึ้นได้แต่อย่างใดจึงไม่ควรที่จะมีความโลภมากเกินไปและไม่มีความตนตีความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ให้มีไว้ใช้สำหรับการเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขก็พอแต่จะอย่าไปหวังเพื่องเงินทองเป็นเครื่องมือมาทำให้ใจมีความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสพนั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนั่นเอง ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะซักพอจิตใจให้เกิดความสุขแก่จิตใจเบื้องต้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความมีใจบุญสุนทานไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและไม่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมากจนเกินไปเงินทองมีไว้เพียงสำหรับเลี้ยงดูร่างกายอย่าให้การความโลภอยากมีเงินทอง ทำให้เราไม่มีเวลาไปซักพอกจิตใจกันถ้าเราคิดว่าเงินทองจะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจเรามีความสุขเราก็อาจจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการไปหาเงินหาทองจนอาจจะไม่มีเวลามาให้กับการซักพอกจิตใจนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีเงินทองเหนือกินเหนือใช้ตายไปก็ใช้ไม่หมด ตายไปก็เอาไปไม่ได้ให้เอามาเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเอามาซักฟอกจิตใจการทำบุญทำทานนี้ก็เป็นการซักฟอกจิตใจในเบื้องต้นก่อนคลายความตนีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคลายความโลภอยากได้เงินทองมากเกินไปถ้าอยากมากได้อยากมีเงินมากๆก็จะต้องไปหาเงินมา มากๆก็จะไม่มีเวลามาให้กับการซักขอกจิตใจแต่ถ้าหามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง <ina aled> ได้พอให้ร่างกายอยู่ได้ <ina aled> ก็จะมีเวลาว่างให้กับการมาซักขอกจิตใจเช่นวันพระในวันนี้เป็นต้น <ina aled> <ina aled> ในเบื้องต้นของการซักขออจิตใจใจจะต้องเป็นใจที่เป็นใจบุญสุนทาน ตจมีความไม่ตนันนีไม่โลภไม่อยากได้เงินทองมากจนเกินไปถ้ามีเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแบ่งปันไปบริจาคไปเสียสละให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วการเสียสละแบ่งปันนี้จะเป็นการซักพอกความโลภความตะนนีออกไปจะทําทให้ใจเกิดมีความสุขขึ้นมา ในระดับของทานนี่คือระดับแรกของการซรกฟอกจิตใจต้องมีทานเป็นเหมือนกับภาชนะไว้รองรับเพราะผู้ที่ทำบุญทาทานนี้จะมีจิตใจที่เมตตาการุณาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่คิดทำร้ายผู้อื่นก็จะเป็นจิตใจที่มีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ศีลก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกางไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาเพราะการกระทําเหล่านี้เป็นการทําให้จิตใจเศร้าหมองทําให้จิตใจมีความทุกข์ถ้ารักษาศีลได้ก็จะช่วยซักพอกความเศร้าหมองที่เกิดจากการกระทํำบาปได้ นี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่เราจะใส่เข้าไปในภาชนะพอเรามีทานแล้วเราก็จะสามารถรักษาศีลได้ต่างกับคนที่ไม่มีทานไม่ใจบุญสุนทานใจโลภใจตะนีมักจะโหยเงินทองมักอยากจะได้เงินทองของคนอื่นก็จะไม่คิดว่าถ้าการทำ อะไรเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาถ้าไปเบียดเบียนผู้่ก็ไม่สนใจถ้าไปทำให้ผู้อื่นทุกข์ยากเดือดร้อนก็ไม่สนใจขอให้ได้โลกขอให้ได้เงินทองที่อยากได้มาเท่านั้น mm hmm. แต่คนที่เป็นใจบุญศุนทานนี้จะไม่คิดแบบนั้นถ้าจะต้องทำมาหากินหาเงินหาทองก็ต้องไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อ mm ื hmm. ่น จะไม่ค่าสัตว์สตว์ชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติถิดในการไม่โกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เงินทองมาอันนี่คือน้ําที่จะมาใช้ซักฟอกจิตใจเมื่อตอนก็ใช้ทานแล้วพอมีทานแล้วเราก็เหมือนมีภาชนะรองรับศินคือน้ําที่จะมาใช้ในการซักฟอกจิตใจ พอเรามีศีลแล้วเราก็จะมีความสามารถมีเวลาให้กับการไปภาวนาคือการไปทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดซึ่งเป็นเหมือนกับการใส่ผงสักพอกเข้าไปในน้ำเข้าไปในภาชนะเพื่อที่จะได้ ใช้ผงซักฟอกกับน้ำนี้ชำระคราบสะกะปรกที่มีในใจให้หลุดออกไป mm. คนที่มีรักมีศีลห้าแล้วนี่เวลาใจไปภาวนาก็จะเพิ่มศีลเป็นศีลแปดเพราะศีลห้านี้เป็นเป็นน้ำที่ยังไม่มีความสะอาดพอเท่ากับศีลแปดหรือศีลที่สูงกว่าศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบ สินงร้อยี่สิบยี่สิบเจ็ดข้อเป็นเหมือนกับน้ำที่จะเอามาใช้สักข้อจิตใจผสมกับผงสักข้อคือสมาธิและปัญญาหรือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะาภาวนาก็คือการทำสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบ วิปัสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นใจรักในสภาวะธรรมทั้งปวงดังนั้นเมื่อเราทำบุญทำทานได้แล้วรักษาศีลห้าเป็นปกติแล้วพอมาถึงวันพระเราก็จะมาทำการภาวนามารักษาศีลแปดขึ้นไป ศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยสิบเจ็ดบางท่านพอช่วงพอช่วงจะเข้าใกล้พรรษาบางคนก็ไปบวชกันก็มีบวชพระก็มีบวชชีก็มีบวชชีก็ถือศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้บวชพระก็ใช้ถือศีลสองรอยิบเจ็ดการบวชนี้จะทำให้มีเวลาให้กับการซักฟอกจิตใจนั่นเอง เพราะถ้าเมื่อบวชแล้วก็แสดงว่าตัดภารกิจทางโลกไปทันที mm hmm. เช่นวันนี้ญาติโยมที่มาอยู่วัดมาถือศีลแปดก็เหมือนกับการมาบวชชั่วคราว mm hmm. มาตัดภารกิจทางโลกทางร่างกายไปอันนี้ต้องการที่จะทุ่มเทเวลามเวลาให้กับการซักพอกจิตใจอย่างเต็มร้อย mm hmm. เต็มที่ จะทำการซักพอกทั้งวันทั้งคืนตลอดหนึ่งวันกับหนงคืนตั้งแต่เวลารุ่งอรุณของวันนี้ไปจนถึงรุ่งอรุณของวันพรุ่งนี้ก็จะได้ครบหนึ่งรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาที่จะให้กับการรักษาศีลของนักบวชแล้วก็มาซักพอกจิตใจด้วยการ บำเมมาพ็ญสมถะภาวนาคือการเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตใจสงบเพราะจิตใจสงบแล้วกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่คอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจก็ต้องสงบระ ง, งับตามไปด้วยก็เท่ากับได้การได้ซักพอกจิตใจทำให้กิเลสตัณหาโมหะอวิชชายุติการสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับจิตใจแบบชั่วคราว แล้วหลังจากนั้นขั้นต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาพอกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเริ่มออกมาทำงานเริ่มมาก่อควาจิตใจก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่านี่แหละตัวที่มาสร้างความเศร้าหมองก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆและการที่จะทำให้มันเลิก ความโลภความโกรธความหลง ก, ก, ก็ต้องเห็นความจริงว่าสิ่งที่มันโลภมันอยากนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกว่ามั น, เ ป, นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วกราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปควบคุมบังคับนั้นไม่ได้เก็บมันไว้สั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้พอสิ่งที่ ให้ความสุขกับเราต้องจากเราไปเมื่อไหร่เวลานั้นความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้จะส ก, กัดกำจัดความทุกข์กำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่สร้างความทุกข์สร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร ส่วนการทำสมาธิการติดจำทำจิตใจให้นิ่งสงบด้วยสตินี้เป็นการหยุดกิเลสอันหาเครื่องเศร้าหมองไว้เพียงชั่วข่าวไว้ชั่วข่าวพอออกจากสมาธิมาพอสติอ่อนกำลังลงออกจากสมาธิมากิเลสอันหาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้มันไม่ตายด้วยกำลังของสติสติไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลส เครื่องเศร้ามองให้หมดไปจากใจได้ต้องอาศัยปัญญาแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ต้องทําใจให้สงบให้ได้ก่อนต้องกิต้องหยุดกิเลสปัญหาให้ได้ก่อนด้วยสติแล้วพอใช้ปัญญาพอปัญญาบอกว่าอย่าทําตามความโลภาะนําไปสู่ความทุกข์ใจที่มีสติ ที่สามารถหยุดกิเลสได้ก็จะสามารถหยุดกิเลสได้ทุกครั้งที่กิเลสโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันได้ทันทีต่อไปกิเลสที่เคยมีอยู่ในใจก็หายไปหมดใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีเป็นนิพพานใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็คือนิพพานที่เป็นบรมมัสุขนิพพานังปรลมังสุขขัง เพราะเหตุที่ทำให้ใจไม่มีความสุขคือกิเลสเครื่องเส้าหมองได้ถูกกาจัดอย่างสิ้นเชิงอย่างถาวรด้วยกำลังของสติและปัญญาควบคู่กันถ้าใช้สติอย่างเดียวก็หยุดกิเลสได้ชั่วคราวถ้าใช้ปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีสติก็จะไม่มีกำลังหยุดกิเลสได้เหตุผู้ที่ คิดว่าจะใช้ปัญญาอย่างเดียวอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็คิดว่าจะเอาความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือธรรมะไปหยุดความโลภความโกรธความหลงนี่อย่าไปหวังที่จะหยุดมันได้ไปดูจิตส่วนใหญ่ที่เขาสอนให้ดูจิตนี้ก็ให้ดูกิเลสตัณหาที่โผล่ขึ้นมาแล้วหยุดมันกิเลสตัณหามันมีหลายตัวแบบเบาๆเล็กๆก็มี แบบใหญ่ๆก็มีแบบธรรมดาธรรมดาเบาๆเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสภาวะคับขันไม่มีอะไรมาบีบคั้นนี้เราดูจิตก็ดูได้พอโลภอยากจะไปซื้อขนมมากินก็หยุดมันได้โลภอยากจะไปเที่ยวก็อาจจะหยุดมันได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาวะที่รุนแรงแต่ถ้าไปเจอกับภาวะที่รุนแรงเช่นเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นโนกมาเร็งแล้วเกิดความอยากให้มันหายเนี่ยแล้วมันไม่ยอมหายขึ้นมาเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเป็นตัวหยุดนะรู้ว่าความอยากให้มันหายความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนีย่มันเป็นกิเลส <c oughs> แต่ก็ห้ามใจไม่ได้ใจอยากจะหายใจอยากจะอยู่ใจอยากไม่ตาย ยัต้องไปทดสอบเวลาที่เจอกับสภาวะคับคับแค้นสภาวะที่รุนแรงถึงแล้วดูซิว่าดูจิตแล้วหยุดกิเลสได้ไหมหยุดความทุกข์ทจิตให้นิ่งให้สงบทําจิตไม่ให้ทุก์กับสภาวะที่คับแค้นใจได้หรือไม่ <c oughs> คนที่ศึกษาดูจิตแล้วคิดว่าสามารถควบคุมจิตได้นี้ยังไม่ได้ไปทดสอบสภาวะของ ความเป็นจริงที่ที่จะเกิดขึ้นในยามเจ็บไข้ได้ป่วยในยามที่ต้องสูญเสียพภาคจากสิ่งที่รักที่จเจริญใจหรือในยามที่จะต้องไปพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาต่างๆดูเสว่าจะดูจิตให้จิตนิ่งให้จิตสงบได้เหมือนกับเวลาที่ยืนในสภาวะธรรมดาได้หรือไม่นี่แหละที่เรียกว่าการใช้ปัญญาอย่างเดียวคือรู้รู้ว่า ความทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองแล้วให้ใช้ปัญญาหยุดมันอย่าไปทําตามเพราะการทําตามกิเลสตัณหาจะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นําไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนถาวรถ้าอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติก็อาจจะทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้สมาธิมาช่วยสนับสนุนแต่ถ้ามันอยู่ในสภาวะที่ ไม่เป็นปกติเช่นภาวะที่มีท้าทายต่อความเป็นความตายของของชีวิตเนี่ยท้าทายต่อความสูญเสียของรักของที่ชอบไปดูซิว่าจะดูจิตทำจิตให้นิ่งให้สงบได้เช่นแฟนอยากจะทิ้งเรไปเนี่ยอยู่ด้วยกันมารักกันมาหลงรักเขาแทบคืนกินมันดีคืนดีเขาบอกจะขอแยกทางกัน จะปล่อยให้เขาไปได้หรือเปล่าจะยอมให้เขาไปได้หรือเปล่าหรือนั่งกายไปเจอโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วจะดูจิตว่าดูทำจิตให้นิ่งให้เฉยให้ปล่อยวางได้หรือเปล่าด้วยปัญญาอย่างเดียวไม่มีทางที่จะปล่อยวางได้ไม่มีทางที่จะหยุดกิเลสัญหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ความเศร้าหมองให้กับจิตใจได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วเคยหยุดจิตใจด้วยสติแล้ว พอรู้ว่าความเศร้าหมองความทุกข์เกิดจากความอยากอยากไม่ให้แฟนทิ้งเราไปโดยทําให้ใจเราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากนั่นเสียปล่อยให้แฟนไปถ้าเขาอยากจะไปก็ปล่อยให้เขาไปเขาเป็นอ น, นิจจังก็เป็นอนัตตาอ น, นิจจังเขาเป็นของไม่เที่ยงเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถไปสั่งไปห้ามเขาได้ เขาอยากจะไปเมื่อไหร่เขาก็ไปได้ในเห็นด้วยปัญญาแล้วก็หยุดด้วยสมาธิหยุดด้วยสติถึงจะสามารถที่จะหยุดได้ถ้ายังไม่เคยฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อทำใจให้นิ่งพอถึงเวลาจะใช้ปัญญามันไม่มีกำลังที่จะไปหยุดกิเลสได้ทำใจให้นิ่งให้วางเฉยให้ได้ให้เป็นอุเบกข า, าใครอยากจะไปก็ไปอยากจะอยู่ก็อยู่ไม่เดือดร้อน ร่างกายจะเจ็บก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปไม่เดือดร้อนอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าชำละสักพอกจิตใจชำละกิเลสตัณหาตัวเครื่องเศร้ามองให้กับจิตใจได้ต้องใช้ทั้งสมาธิใช้ทั้งปัญญาเป็นเครื่องมือเหมือนกับการใช้มือซ้ายกับมือขวายิ ด, ดูถ้าเราใช้มือซ้ายทํางานมือเดียวนี่มันจะสู้ใช้สองมือทํางานหรือไม่ S <S เวลากินข้าวเรายัางต้องใช้สองมือเลยกินข้าวมือหนึ่งมันรู้สึกงไงมันไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่สะดวกแต่ถ้ามีสองมือนี่มันสะดวกมือหนึ่งก็ถือจานถือชามอีกมือนึงก็ถือช้อนตักข้าปากได้ อ, อย่างง่ายได้แล้วรวดเร็วฉ <C oughs> ันใดสมาธิและปัญญาก็เป็นเหมือนเครื่องมือที่ต้องทํา ง, งานประสาน ร, ร่วมกันถึงจะทําให้ภาวะ หน้าที่การงานบรรลุรุ่งได้คือหน้าที่การงานในการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จาเป็นที่จะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือกันปัญญาจะเป็นผู้บอกเป้าว่ากิเลสคืออะไรตัวไหนเป็นกิเลสตัวไหนไม่เป็นกิเลสตัวไหนที่กำลังทำให้ใจทุกข์อยู่พอปัญญาชี้ภาวะคือตัวนี้ตัวภาวะตัณหา รู้วิภาวะทันหาวิภาวะทันหาก็คือความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปความอยากไม่ตายนี่เรียกวิภาวะทันหะไอตัวนี้ที่ทําให้ใจเครียดทําให้ใจทุกข์ถ้าอยากจะให้ใจหายเครียดหายทุกข์ก็ไปหยุดไอตัวนี้ตัววิภาวะทันหาอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายเพราะเรห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตร่างกาย มันเป็นอันนี้จังมันไม่เทียมมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดปัญญาจะสอนว่าต้องหยุดตัวนี้พอบอกให้หยุดตัวนี้สมาธิก็หยุดได้มีสมาธิก็หยุดได้หยุดภาะวะตัณหาได้หยุดความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ด้วยการปล่อยวางมันจะแก่ก็แก่มันจะเจ็บก็เจ็บมันจะตายก็ตาย ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือการซักฟอกจิตใจต้องใช้ทั้งสมาธิใช้ทั้งปัญญาด้วยการสนับสนุนของศีลถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติกันเมื่อเราไม่ร่ารักษาศีลแปดเราก็ไปเที่ยวได้ไปช้อปปิ้งได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปงานเลี้ยงไปทำอะไรต่างๆได้ แต่พอเรามาถึงศีลแปดนี่แสดงว่าเราปิดประตูแล้วไม่ให้ออกไปนอกบ้านไม่ให้ไปสถานที่ต่างๆให้อยู่ในสถานที่สงบเพื่อที่จะได้มาเจริญสตินั่งสมาธิในเบื้องต้นก่อนต้องทำสมาธิให้ได้ก่อนถึงจะสามารถไปไปทาปัญญาต่อได้ถ้าไปทำปัญญาข้ามสมาธิไป ก็ไม่สามารถที่จะซักพอกจิตใจให้สะอาดได้เพราะว่าไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหานั่นเองถึงแม้ปัญญาจะสอนจะบอกว่ากิเลสตัณหาเป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจแต่ถ้าไม่มีกําลังของสติที่จะหยุดก็จะไม่สามารถหยุด กิเลสปัญหาเครื่องเศร้าหมองเวลาที่มันแสดงตัวขึ้นมาได้เวลาที่มันทําให้เกิดความสุขเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเ <Yeah. S 2> นี่นั้นขั้วแรกของการปฏิบัติจึงต้องอยู่ที่การเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอปปนาสมาธิขึ้นมาให้ได้ให้เป็นสักแต่ว่ารู้เป็นหนึ่งเอกคตารม mm. มีแต่รู้ตัวเดียวตัวคิดนี้หยุดทํางานไปชั่วคราว พอตัวคิดหยุดคิดใจก็โล่งใจก็เบาใจก็สงบใจก็เยน็นใจก็สบายใจก็อิ่มใจก็พอ <Yeah. S 1> พอใจมีความสุขความอิ่มความพอ mm hmm. ก็สามารถที่จะฝืนกิเลสได้กิเลสจะมาชวนยังไงก็ไม่ไปได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบนี่พอกิเลสมาชวนปั๊บนี่หอดไม่ได้ ก็กิเลสจะหลอกว่าไปนะอยู่ตรงนี้อยู่เฉยไม่ได้อะไรไปแล้วจะได้ความสุขอย่างนู้นอย่างนี้แต่หารูไ้ไหมว่าความสุขที่ไปหานั้นเป็นความสุขแบบชั่วคราวไม่ยั่งยืนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดไปก็ทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาอีก น, นี่แหละคือการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเครื่องมือสี่ ชินด้วยกันคือทำบุญทำทานคลายความตนิคลายความโลภความอยากมีเงินมีทองอยากร่ำอยากรวยไปหาเงินหาทองพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเพื่อจะได้มีเวลาว่างให้กับการมาซักฟอกจิตใจแล้วก็จะทำให้สามารถมารักษาศีลต่างๆได้เบื้องต้นก็รักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็มาเพิ่มเป็นศีลแปดในวัน ในวันพระวันธรรมสวรรคอย่างวันนี้รักษาศีลแปลดเพื่อสกัดกัน้นกิเลสไม่ให้พาจิตใจไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปหาความสุขจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆเป็นต้นเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสติควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ของกรรมฐานจะเป็นพุโทโธก็ได้ จะเป็นการดูลมก็ได้ถ้ายังไม่ได้นั่งยังมีการเคลื่อนไหวดูออยู่ก็ใช้คำบริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายไปก็ได้แล้วพอมีเวลานั่งได้ก็นั่งหลับตาแลทีนี้ก็จะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้จะใช้ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ทั้งพุทโธ ท, ทั้งลมหายใจก็ได้แล้วแต่จะถนัด จะต้องมีอะไรคอยผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ ถ, าถ้าใจไม่ลอยไปกับความคิดเดี๋ยวความคิดก็จะหยุดคิดแล้วใจก็จะนิ่งจะสงบขึ้นมาจะมีพลังขึ้นมามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทำให้กิเลสไม่สามารถที่จะมาหลอกให้ใจไปหาความสุขแบบอื่นได้พอรู้แล้วว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้อยู่ที่ความสงบนี้เท่านั้นอยู่ที่การไม่กระทาตามความอยากทาตามกิเลส ในเวลากิเลสมาล่อมามีอะไรมาล่อเอาเงินทองมาล่อเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่ไปเอายอดดาวตาแหน่งให้มาเป็นนายกก็ไม่ไปเพราะว่ารู้ว่าเงินทองความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านความสุขที่ได้จากการเป็นนายกนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้มันก็จะมีกําลังสู้กับกิเลสได้ถ้ายิ่งปัญญาเป็นผู้มาย้ําตอกย้ําอีกว่า ทำตามกินเลยแล้วจะต้องไปเจอกับความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราวเงินทางร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวยศตําแหน่งก็เหมือนกันเป็นนายกได้กี่ปีเดี๋ยวก็เขาปลดนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเาก็ยุบสภานละ้เดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่แลอวนี่คือปัญญาและสมาธิตอนนี้เรามาฝึกสมาธิกันก่อน การแสดงธรรมตอนนี้เวลาก็หมดไปแล้ขั้นต่อไปนี้เหลืออีกสามสิบนาทีครับโดยประมาณเราจะมาฝึกนั่งสมาธิหยุดจิตกันก่อนที่จะดูจิตได้ต้องหยุดจิตให้ได้ก่อนเวลาจิตพยศเราจะได้หยุดมันได้ถ้าเราหยุดจิตไม่ได้เวลาจิตพยศนี่เราหยุดมันไม่ได้ดูไปก็จิตมันก็กิเลสมันก็ไม่กลัวมันกลัวสติมันกลัวสมาธิมันไม่กลัวปัญญา ปัญญาบอกว่าอย่าไปทําตามกิเลสก็ยังฝืนมันไม่ได้สู้มันไม่ได้แต่ถ้ามีสติมีสมาธิแล้วหยุดมันได้ทันทีงั้นต่อไปนี้เรามาฝึกหยุดจิตกันก่อนให้เราสามารถหยุดจิตได้ก่อนแล้วค่อยไปดูจิตต่อไปถึงจะถูกต้องตามหลักทำที่พระเจ้าทรงสอนไว้ทานศีลสมาธิแล้วก็ค่อยไปปัญญาเป็นขั้นบันไดไปในการปฏิบัติเพื่อกําจัด ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปตอนนี้เราจะมาเจริญสติไปนั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งแล้วใจลอยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าปล่อยให้คิดแล้วมันจะไม่สงบแล้วมันจะฟุ้งซ่านแล้วมันจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ต้องมีอะไรให้มันทํามีอะไรผูกใจไว้เช่นให้มันอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธถ้าทําได้ถ้ายัางบริกรรมพุโทโธไม่ได้ จะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทสั้นๆก็ได้ยาวๆก็ได้แต่ต้องสวดไปเรื่อยๆถ้าบทสั้นก็สวดหลายๆรอบหน่อยสวดไปจะรู้สึกว่าใจเบาเย็นสบายแล้วสามารถหันมาดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ เ, เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกต่อถ้าบริกรรมพุโทโธได้ก็บริกรรมพุโทโธไปดูลมได้เลยก็ดูลมไปเลย ก็จะมีวิธีอื่นอีกหลายวิธีถ้าเคยใช้วิธีไหนแล้วทำใจให้นิ่งให้สงบได้ก็ใช้ได้อาจจะเคยไปปฏิบัติบางสานักให้ดูดูยุบหนอพองหนอก็ใช้ได้สมาลาหังก็ใช้ได้นึกถึงดวงแก้วก็ใช้ได้อันนี้เป็นวิธีการของการทำสมาธิผลก็จะได้เหมือนกันก็คือความสงบงั้นก็แล้วแต่เราจะจิตของเราชอบอนไนถูกกับอะไร ก็ใช้อันนั้นไปที่นี่ไม่บังคับว่าจะต้องใช้วิธีนั้นวิธีนี้ขอให้เราหาวิธีที่ถูกกับจริตของเรานั่งแล้วได้ผลก็ก็ใช้ได้แล้วเวลานั่งถ้ามีอะไรมาปรากฏขึ้นมาในใจมีภาพมีเสียงมีอะไรมีแสงมีสีอย่าไปสนใจกลับมาที่กรรมาฐานของเรากลับมาที่อารมณ์ถ้าพุโทโธกกลับมาที่พุโทโธถ้าสวดมนต์ก็กลับมาที่สวดมนต์ ถ้าดูลมก็กลับมาที่ดูลมอย่าตามรู้อะไรที่ปรากฏขึ้นมาถ้าตามรู้แล้วเดี๋ยวใจก็จะไม่สงบใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาได้แต่ถ้าอยู่กับอารมณ์แล้วใจก็จะนิ่งไปเรื่อยสงบไปเรื่อยๆจนนิ่งได้ในที่สุดพอมันสงบนิ่งแล้วก็ไม่ต้องควบคุมบังคับแนละ้นี่เรารู้เฉยๆได้นั่งเฉยๆนั่งอย่างมีความสุขล้วก็จะไม่อยากรก ถึงแม้บางครั้งเวลานั่งสมาธิหมดแล้วก็ตามบางทีก็ยังไม่อยากจะลุกถ้ามันสงบแล้วมันมีความสุขอะอต่อไปนี้เราก็จะมาจะเจริญสตินั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาอตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก่อนที่จะลุกขึ้น ก็ขอให้สังเกตดูวิธีนั่งว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรถ้านั่งแล้วสงบดีก็จดจำวิธีนั่งไว้ให้ดีเวลานั่งคราวหน้าก็จะใช้วิธีนี้มาใช้ต่อได้เลยอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะว่าความอยากไม่จะไม่ทำให้มันสงบได้ต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อย ควจะฝึกสติให้มากระหว่างวันไปก่อนตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆคอยดึงใจไว้คอยหยุดใจไว้แล้วต่อไปเวลามานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายขึ้นต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสักขัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเมวาสมิจฉตุสัพเพบริยตุสังกปาจันโทปนาราสุยาามณิโชติอราสุยาาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพารโควินนสตุ มาเตผวะตวันตรายุสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาธนศีลิสนิจจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง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 รับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะน้กกุฏิจากทาง a ฟ e b o o k ทั้งหมด374ท่านทาง YouTube พระอาจารย์315ท่านทางด r v c h a n n e วา54ท่านทางวิดีโออนไลน์11ท่านครับเฮ u ส e 4ท่านน้นากุฏิ132ท่านคา่ะรวมทั้งหมดเป็น890ท่นานเจ้าค่ะ ถามได้เลยท่ามีคำถามเจ้า ะ, ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานุกูลิถามเข้ามาว่ามีนิสัยขี้ลืมเข้าของหายเป็นประจำเวลานอนก็ฝันว่าของหายคิดว่าเกิดจากการไม่มีสติขอเรียนถามว่าหากจเจริญสติบ่อยๆจะแก้นิสัยนี้ได้หรือไม่ในชาตินี้และจะส่งอานิสงส์งถึงชาติหน้าหรือไม่คะ ได้สตินี่เลเป็นตัวที่จะทำให้เราจดจาอะไรได้เวลาทำอะไรให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็คอยคิดบ่อยๆก็ได้คิดถึงสิ่งที่เราทำไว้ว่าเราได้ทำแล้วจะได้ไม่ลืมแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยมันก็จะตามไปกับเราในพพหน้าชาติหน้าต่อไปเจ้าค่ะจากทาง Inbox ถามเข้ามาสองคำถามเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิ ความคิดมันพุดขึ้นมาเยอะมากจนเหนื่อยที่จะคิดอยากขอวิธีหยุดความคิดค่ะก็ต้องหยุดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิไม่ใช่มาหยุดตอนนั่งสมาธิมันไม่พ อ, อต้องพยายามหยุดมันก่อนทั้งวันเลยพยายามใช้พุทโธสกัดกั้นความคิดได้ตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธอย่าไปปล่อยให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะคิดก็หยุดพุทโธถ้ามันมีเรื่องจาเป็นที่จะต้องคิดก็หยุดคิด ก็หยุดพุทธโธชั่วคราวแล้วก็ปล่อยให้มันคิดถึงเรื่องที่ต้องคิดพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุทธโธต่ออย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเจ้าค่ะคำถามที่สองพิจารณาอสาุภะอย่างไรนะคะว่าร่างกายนี้ไม่งามต้องถึงกับไม่มองภาพศพเลยไหมคะกลัวภาพติดตาค่ะก็ภาพศพนี้ก็เป็นภาพอย่างหนึ่งที่จะเห็นว่าร่างกายมันไม่สวย มันไม่งามไปตลอดมันจะต้องกลายเป็นซากศพวันใดวันหนึ่งภายในข้างหน้านี้หรือจะให้นึกถึงอาการสาบสองที่มีอยู่ภายใต้ร่างกายในขณะนี้ก็ได้ร่างกายเราทุกคนตอนนี้ใต้ผิวหนังมีอะไรบ้างก็มีโครงกระดูกมีเนื้อมีเอ็นมียื่อในกระดูกมีม้ามมีตับมีหัวใจมีพังผืดมีไตมีปอดมีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ ก็นึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมาถ้าไม่รู้ภาพนี้เป็นยังไงก็ไปเปิดใน Google ดูก็ได้อย่างนี้ก็มีภาพให้เราสามารถเห็นได้อาจจะไม่ได้เป็นภาพจริงอาจจะเป็นภาพวาดก็ได้ให้เห็นแล้วเอามานึกอยู่ บ, บ่อยๆเอามาคิดอยู่ บ, บ่อยๆต่อไปเราเห็นดาราภาพยนต์เห็นอะไรก็จะเห็นตับตไส้พุงของเขาด้วยแล้วก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้สวยไม่งามอย่างที่เราเคยเห็นหรอก เจาค่จากคุณออฟนมัสการพระอาจารย์ครับขอกราบรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติครับการที่นั่งภาวนาอยู่แล้วเกิดมีอาการตกเหมือนเครื่องตกหลุมอากาศสองครั้งแต่ไม่ติดกันครับเป็นเพราะผมภาวนาไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกแล้วแหละเวลาจิตจะสงบมันก็จะตกหลุมอากาศแบบ น, นี้ให้รู้เฉยๆแล้วก็พุโทโธต่อไป ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจการตกหรืมอมากาศนี้มันมีหลายหลายหลายอยะหลายวิหลายแบบบางทีก็ตกเป็นขั้นขั้นทีละขั้นเหมือนขั้นบันไดบางทีก็เหมือนตกมาจากขั้นที่ขั้นสูงจากดาดฟ้าลงมาถึงพื้นเลยก็มีแต่ถ้ามันตกแบบนั้นมันจะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายจะมีความสุขมากเราให้มีสติประคับประคองใจให้รู้เฉยเฉยไปไม่ต้องไปวิาพากวิจารไม่ต้องตื่นเต้นตกใจ ไอ้ลูกเฉยๆแล้วจิตก็จะนิ่งจะสงบจะมีความสุขมากสวาสจาักคุณประทีปกราบนมัสการหลวงพ่อครับขออนุญาตกราบเรียนถามครับผมมีอาคารพาณิชย์ให้เช่าถ้าผู้มาขอเช่าขอเปิดเป็นสำนักปฏิบัติเผยแพร่และทิความเชื่อทางศาสนาซึ่งเราก็คิดว่าอาจจะไม่ถูกต้อง ทำตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาจะให้เช่าได้ไหมเพราะกลัวจะเผยแพร่คําสอนผิดผิดหรือควรพิจารณาอย่างไรขอหลวงพ่อเมตตาแนะนําด้วยครับขอบคุณครับก็ไม่ควรไปส่งเสริมคนที่ก็จะทําทผิดทําให้เกิดความเสียหายเกิดให้เกิดความหลงกับผู้อื่นถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปสนับสนุนก็อย่าไปให้เขาเช่าจะจะดีกว่า จากคุณกะทิคะขอให้ท่านช่วยสอนว่าเราควรจะนั่งสมาธิมากน้อยนานเท่าไหร่ต่อวันคะนั่งให้มากที่สุดเท่าที่ยรานั่งได้ยิ่งมากยิ่งดีค่ะจากยุทูพระอาจารย์ค่ะเพราะไรลูกผู้ชายอายุ25ถึงไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเรียนและยังมีภาวะซึมเศร้าเพราะถูกทางบ้านกดดัน จะอย่างไรทุกวันนี้ยังดีกว่าเล่นกีฬาไปหัดขับรถแต่ยังสอบไม่ผ่านเป็นยังไงเลยประมาณว่ า, าลูกลูกชายลูกผู้ชายอายุยี่สิบห้าถึงไม่มีการกล้าตัดสินใจทำอะไรเลยสักอย่างค่ะประมาณว่าเรื่องงานก็ดีเรื่องเรียนก็ดีและยังมีสภาวะซึมเศร้าเพราะสาเหตุอะไรเพราะว่าเราไม่ตัดสินใจให้เขาทุกอย่าง เขาก็เลยไม่รู้รู้จักคิดรู้จักตัดสินใจด้วยตัวเขาเองเราต้องปล่อยให้เขาตัดสินใจให้เขาคิดเองว่าเขาจะทำอะไรเราอาจจะให้เป็นที่ปรึกษาเขาว่าคิดทำอย่างนั้นดีไม่ดีบอกเขาได้เรื่องบาปบุญคุณโทษผิดถูกแต่เรื่องการตัดสินใจนี้เขาควรจะเป็นคนคิดตัดสินใจเพราะเขาจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเขาเองพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาไปดูไปได้ตลอด วนหนึ่งพ่อแม่ก็อาจจะต้องแก่เจ็บตายไปเั้นต้องสอนให้เขารู้จักมีความรู้ผิดถูกดีเชื่อแล้วก็ให้เขาได้ไดเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นการประกอบในการตัดสินใจของเขาอีกทีหนึ่งจ่าจากอินบ็อกกาบนำรัชการพระอาจารย์ค่ะเราจะมีวิธีสอนตัวเองอย่างไรให้มีใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมในแต่ละวันคะขอบพระคุณค่ะ ก็ให้คิดว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตเลยทีเดียวถ้าไม่ได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี้จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวินว่ายตายเกิดได้เลยต้องเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนเราอันนี้เราได้ของวิเศษแล้วอย่าไปโอกาสทองอันนี้ให้หลุดมือไป เพราะชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ฉนั้นเวลานี้เรามีลมหายใจอยู่รีบฉวยโอกาสนี้ศึกษาและปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จักคุณอ ม, มีเจ้าค่ะขอโอกาสถามเจ้าค่ะคิดมากนอนไม่หลับกังวลใจทุกเรื่องในแต่ละวันลูกควรแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะฝึกสติใช้คำบริกรรมพุโทโธไปทั้งวัน จักุนทีคัฒนาถามว่ามีความเบื่อหน่ายสังขารไม่เที่ยงเห็นอนิจจังบ่อยมากเจ้าค่ะทําอย่างไรไม่ให้ทุกข์กับอนิจจังในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่รักความเป็นอนิจจังยังอยากอนิจจังเป็นสุขพวรแก้ไขจิตอย่างไรเจ้าคะกราบในความเมตตายอย่างสงูงอย่าเพิ่งไปนึกถึงอ น, นิจจังตอนนี้จิตเรายัางสะจิตเราไม่มีกําลังที่จะรับความจริงดังั้นต้องฝึกสติใช้คําบริกรรมพุโทโธไปก่อน เวลานึกถึงนิจจังก็เปลี่ยนมาเป็นพุโทโธพุโทโธไปก่อนทำใจให้นิ่งให้สงบให้เย็นก่อนแล้วพอใจนิ่งเงย็นสงบแล้วจะมีความสามารถที่จะรับความจริงได้ก็ค่อยพิจารณานิจจังต่อไป จายูทูเจ้าค่ะขอกราบยนถามว่าลูกที่อยู่ดูแลคุณแม่คุณพ่ออายุ80ปีที่บ้านได้รับรู้ความรู้สึกเจ็บป่วยและความไม่สดชื่นแจมใสของท่านทั้งสองเป็นประจําลูกสอนใจอย่างไรที่จะไม่ซึมทราบความรู้สึกแบบนั้นเข้ามาอยู่เรื่อยเพื่อลูกจะได้มีจิตใจที่มั่นคงมีพลังทําประโยชน์ต่างๆต่อไปก็ต้องสอนว่านี่คือชีวิต เกิดมาแล้วก็ต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องแก่ต้องเจบ็บต้องตายในที่สุดดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อตัดการกลับมาเกิดยุติการกลับมาเกิดค่ะจากทางยูทูบเจ้าค่ะคุณหนึ่งกราบ น, นมัสการพระอาชารขอเรียนสอบถามเจ้าค่ะที่มีคากล่าวว่าทุกอย่างเกิดขึ้น ตามเหตุปัจจัยถ้าเราเคยสร้างบาปมาในอดีตแต่ปัจจุบันพยายามสร้างบุญเจริญภาวนาให้มากขึ้นจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตได้ไหมคะได้ถ้าเราทําบุญมากกว่า บ, บาป<ม>บุญก็จะส่งผลก่อน<ม>ถ้าเราเคยทําบาปมามากแล้วบาปมันเคยส่งแต่เรื่องไม่ดีให้กับเรามาอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราเรียบกลับมาทําบุญทําบุญให้มากๆทําให้มันมากกว่า บ, บาป แล้วต่อไบุญมันก็จะส่งผลก่อนเช้าค่ะจากทาง Youtube มีคำถามมาสมข้อข้อที่หนึ่งผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใส่บาตรตอนเช้าอยากถามว่าตอนใส่บาตรควรตั้งใจหรือนึกถึงอะไรถึงจะเหมาะสมตามหลักธรรมครับให้มีสติอยู่กับการใส่บาตรหยิบของใส่บาตรก็หยิบให้มัน เ, เรียบร้อยดูเรียบร้อยให้มีสติ ส่วนเรื่องของการใส่บาทเรื่องของอ น, นิสงส์ก็คิดว่านี่เป็นการเสียสละแบ่งปันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับจิตใจจิตใจเวลาตายไปต้องอาศัยบุญกุศลเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลเวลาตายไปเราจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่ง ข้อที่สองปกติผมจะนึกถึงการอุทิศบุญให้ญาติที่ล่วงลับในเวณและเทวดาที่รักษาตัวผมแต่พอได้ฟังเทศของพระชาจรเห็นว่าเทพหรือนายเวณอาจไม่ได้รับบุญอย่างนี้ผมเข้าใจคือบุญเขามีมากกว่าบุญที่เราส่งไปให้เขาก็ เ, าเป็นเศรษฐีบุญแล้วเราเอาเอาเอาบุญที่ให้ขอทานไปให้เขาางนี้ ถ้าเรามีเงินแเราเราเงินที่เราให้ขอทานไปให้เศรษฐีเขาจะว่าอย่างไรเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็อาจจะขอบคุณดีใจอนุมโมทนาแต่มันไม่มีความหมายสำหรับเขาเหบุญนี้ที่อุทิศนีไว้สําหรับให้กับพวกขอทานทางวิญญาณจิตวิญญาณพวกเปรตนี่เป็นพวกขอทานตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่เขาไม่ทำบุญเขาไม่เชื่อเรื่องบุญพอตายไปเขาเลยไม่มีบุญติดตัวเขาไปเขาเลยต้องมาขอทาน ขอบุญจากญาติพี่น้องต่างๆเป็นต้นในเวลาทำบุญส่วนใหญ่เราจะอุทิศบุญให้กับพวกที่เป็นเปรตจากเ c e b o o k เจ้าค่ะเวลาเดินจงกรมสามารถบริการพุดโทได้ไหมคะได้เดินไปก็พูดโทรไปค่ะจากเ c e b o o k เจ้าค่ะเป็นคนขี้เกรงใจบางครั้งเพื่อนชวนไปสังสรรค์ เราไม่อยากไปบ้างไปไม่ได้บ้างปฏิเสธบ่อยครั้งก็เก็บมาไม่สบายใจเองควรทําอย่างไรดีครับก็เราต้องคิดดูก่อนว่าไปแล้วได้ประโยชน์หรือได้ได้ไม่ได้ประโยชน์ถ้าอยู่แล้วได้ประโยชน์มากกว่าไปเราก็อยากไปไม่ต้องไปเกงใจใครเราต้องเห็นถึงคิดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราถ้าเราไปแล้วจิตใจเราไม่มีความสุข เราอยู่คนเดียวเรามีความสุขไแเราก็อยู่คนเดียวของเราไปค่ะจากทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะน้อมกราบค่ะอยากทราบว่าพอเรานั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเองนั่งตรงข้ามอีกคนหมายถึงอะไรเจ้าค่ะหมายถึงจิตเราไม่มีความไม่มีสติปล่อยให้มันปรุงแต่งรีบกลับมาที่พุโทโธแล้วกลับมาที่ลมหายใจ ใช่ค่ะถ้าเราจับรูปพระพุทธรูปหรือรูปภาที่เราศรัทธาสม่ำเสมอให้เป็นฌานแล้วจะมีอุบัติเหตุเช่นเครื่องวินกำลังจะตกเรารีบจับภาพเหล่านี้จนได้ฌานอัตโนมัติถ้าเราตายไประหว่างนั้นเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดและอาจจะไปสู่ภพภพูมิที่ดีกว่านระกใช่ไหมคะใช่เราสามารถหลบเอาจิตหลบเข้าไปในฌานได้แยกปล่อ ย, ยวางร่างกายแบบชั่วคราวได้ ก็จะไม่รับรู้เรื่องของการเจ็บปวดของร่างกายความตายของร่างกายหรือถ้าเราใช้พุโทโธ ร, รวัวก็ใช้ได้เช่นกันใช่ไหมคะก็ถ้ายัางเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธช่วยก่อนเพราะสังเกตจากที่เวลาไปพบหมอไปหาหมอแล้วหมอฉีดยาหรือให้น้าเกลือลองรีบจับภาพประทวนรูปหรือคูบาจารย์ระหว่านที่โดนเข็มมันจะไม่รู้สึกเจ็บเจ้าคะ่ะ ถูกต้องเราดึงใจออกจากร่างกายไม่ไปสนใจกับเรื่องของร่างกายพออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายมันก็ไม่มาสะเทือนใจเราคำถานจากทาง Facebook เจ้าค่ะกราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการมีความรักต่อใครคนหนึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติให้มากขึ้นหรือลดลงหรือไม่เจ้าคะหรือตามหลักพระพุทธศาสนาเราไม่ควรมีความรักเจ้าคะ ไม่ควรมีความรักแบบกิเลสคือรักแล้วไปยึดไปติดเขาไม่อยากอยู่กับเขาอยู่ใกล้เขาตลอดเวลารักแบบนี้จะทำให้เราทุกข์เวลาที่เราไม่สามารถอยู่กับเขาได้นะจะทำให้เราไม่สามารถไปทำอะไรที่เกิดประโยชน์ได้มัวแต่มาคอยอยู่กับเขาใกล้เขาชิดเขาอย่ตลอดเวลารักแบบนี้ไม่ดีแต่ถ้ารักแบบด้วยความเมตตาใช้ได้รักด้วยความเมตตาคือเห็นใครเขา เดือดร้านเขาช่วยเหลือเขาใครเขาไม่มีความสุขพอเรามีอะไรแบ่งกันให้เขาได้ก็ให้เขาไปถ้านักแบบเมตตานี้ดีแต่ไม่ได้นักแบบยุติมีอพาร์เมนต์ลูกบ้านติดค่าเช่าค่าน้าค่าไฟ พอทงถามลูกบ้านแจ้งว่าช่วงนี้หาแขกไม่ได้แล้วเราก็เมตตาให้อยู่ต่อโดยผ่อนค่าผ่อนชาระค่าเช่าได้แบบนี้เป็นการบังคับลูกบ้านขายบริการเพื่อมาจ่ายค่าเช่าไหมคะอ๋อไม่หรอกเขาขายบริการของเขาอยู่นะเราไม่เกี่ยวคำถามยังไม่มีเข้ามาเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามหได้อยู่ที่นี่ ถามได้นะช่วงนี้เพราะว่าถ้าไม่ถามเดี๋ยวเลิกเราจะเข้ามาถามจะไม่สะดวกตอบถ้าไม่มีอะไรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ